6. อธิกรณวาระวาระว่าด้วยการจัดเป็นอธิกร 1. ปาราชิกกันคำถามคำตอบอธิกรในปาราชิกกันปาราชิกศิกขาบทที่5 244ถามอาบัตของภิกษุณีผู้กำนัดยินดีการถูกต้องกายของชายผู้กำนัด บรรดาอาธิกรณ์สี่อย่างจัดเป็นอธิกรณ์ไหนตอบอาบัตของภิกษุณีผู้กำนัดยินดีการถูกต้องกายของชายผู้กำนัดบรรดาอาธิกรณ์สอย่างจัดเป็นอาปัตตาธิกรณ์ละ 5. ปาติเทศนียกัน คำถามคำตอบอธิกรในปาติเทสนียกันละปาติเทศนียสิกขาบทที่8ถามอาบัตของภิกษุณีผู้ออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันบรรดาอธิกรณสอย่างจัดเป็นอธิกรไหนตอบอาบัตของภิกษุณีผู้ออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉัน บรรดาอาธิกรสี่อย่างจัดเป็นอาปัตตาธิกรอ์อธิกรณวาระที่หกจบ